ยี่สิบสามเเแอแการเรียนภาษาต่างชาติมาอยูวยมอยูะวยคุณเรียนภาษาสเปนมาจากไหนคะ คุณพูดภาษาโปรตุเกสได้ด้วยไหมคะ a t ีนีโปรต u เกลิชอ A ี i n i p o r t u g a l i s ่ะและดฉันก็พูดภาษาอิตาเลียนได้ด้วยค่ะ Po, di ิเด็กักอิตาเลชป๋อดิเด็กักอิตาเ ดิฉันคิดว่าคุณพูดได้ดีมากมัมมภาษาค่อนข้างคล้ายกันมากจูฮัดยังกัติตุนจ้ชมดิดิฉันเข้าใจภาษามันได้ดี m ุ n ท t'ju kuptoj mirë. แต่การพูดและการเขียนมันยากพอทัฟลัสเชสเดตัสครูสเ ë สต์เอเวสติเอพอทัฟลัสเช ë เดตัสครู s เอสต์เอเวสฉันยังพูดและเขียนผิดอีกมาก อคมชู ม, บบมะบมทุกครั้งโปรดช่วยแก้ให้ดิฉันด้วยนะคะตริมมลตมคริคจการออกเสียงของคุณดีมากชิบติมยุไวเอชต์มิอัอติมิชิบติมยุไ เ s, <S, no <oy> <S h t ë m j a f มีอัฟตคุณมีสำเนียงนิดหน่อย j ูเคน n n เนี่ยน c แอนซ์นึกช i บ j ิมยูเคน ë ่ h นี่ยเซ็ k ซ์แต่สกูร a เตฟังสามารถรู้ว่าคุณมาจากไหนด l o h e n ฮนี่เซงกา i ภาษาแม่ของคุณคือภาษาอะไรคะคุณเรียนหลักสูตรภาษาหรือเปล่าคะคาาอ่าฟรควอนต์อนิโ่าฟรวอนต์โอนสจูเคุณใช้นังสือเรียนเล่มไหนคะ ชื่อออไม่ออกครับ ที่ถูกดิฉันลืมไปแล้วค่ะไอคำฮารูอไอคำฮรัว